ภาพยนตร์ปฏิบัติเช่นนี้วิทยุก Leh ็ปฏิบัติเช่นนี้ทำไมท่านจึงไม่ปฏิบัติตามบ้างเมื่อไม่กี่ปีมานี้หนังสือพิมพ์ฟิลาเดลเฟียอิฟนิ่งบุลเลติได้ถูกใส่ร้ายจากคู่แข่งขันโดยทำให้เกิดการเล่าลืออันนำมาซึ่งความเสียหายอย่างที่สุดมีข่าวร้ายแพรส่สะพัดไปยังผู้ลงโฆษณาว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มีแต่โฆษณาเต็มไปหมดทั้งฉบับ มีข่าวสารเพียงเล็กน้อยเป็นเหตุให้ผู้อ่านไม่ติดใจหาซื้ออ่านอีกต่อไปทางหนังสือพิมพ์มองเห็นความจําเป็นที่จะจัดการอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปโดยรีบด่วนเพื่อให้ข่าวหรืออกุศล น, นี้สงบเงียบเสียเขาทําอย่างไรนี่ไงล่ะท่านวิธีที่เขาได้กระทําทางคณะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ตัดเรื่องที่ลงในหนังสือพิมพ์บุนเลอร์ตินฉบับออกประจําวันฉบับหนึ่งออกเป็นคอลัมน์เล็กใหญ่ต่างๆ จัดแบ่งออกเป็นประเภทประเภทแล้วจัดพิมพ์ใหม่เป็นเล่มหนังสือหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าวันหนึ่งมีความหนาถึงสามร้อยเจ็ดหน้าขนาดเดียวกับหนังสือที่วางขายในตลาดเล่มละสองเหรียญแม้กระนั้นหนังสือของหนังสือพิมพ์บุลเลตินเล่มนี้ซึ่งบรรจุ ข, ข่าวสารการเมืองและสารคดีซึ่งลงพิมพ์วันเดียวมิได้จําหน่ายแก่ประชาชนด้วยราคาสองเหรียญแต่เพียงราคาเล่มละสองเซนเท่านั้น การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ออกเผยแพร่เป็นการแสดงข้อเท็จจริงอันน่าเร้าใจว่าบุลเลตินในวันหนึ่งวันหนึ่งมีเรื่องมากมายเหลือหลายสำหรับอ่านซึ่งล้วนแต่น่าสนใจเป็นหลักฐานยืนยันแก่ประชาชนอย่างแจ่มกระจ่างอย่างน่าทึ่งอย่างน่าทราบซึ้งตรึงใจยิ่งไปกว่าการแสดงตัวเลขหลายๆวันและการพูดด้วยปากเสียอีกจงอ่านศิละปะโฆษณาเชิญชวนในธุรกิจโดยเคนเนตกู๊ด และเซนกอบมันซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการของผู้รู้จักเชิญชวนให้คนซื้อสินค้าจนคนรับเงินไม่มีเวลาหยุดพักหนังสือเล่มนี้เล่าถึงว่าบริษัทอิเล็กโทรรักขายตู้เย็นได้มากโดยการจุดไม่ขีดที่หูผู้ถูกเสนอขายเพื่อแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นถึงว่าตู้เย็นของบริษัทเดินเสียงเงียบอย่างไรบ้างเล่าถึงว่าคนใหญ่คนโต พากันขอแคตตาล็อกของห้างเซียโลบักเสียใหญ่เพราะโฆษณาขายหมวกราคา 1.95 เหรียญซึ่งมีลายเซ็นของแอนโซเทิร์นวงเล็บเปิดดาราภาพยนต์วงเล็บปิดเล่าถึงว่ายอดเวนบอมอ้างหลักฐานเปิดเผยว่าถ้าตู้โชว์สินค้าชนิดมีแท่นหมุนได้มีอันจะต้องหยุดหมุน 80% ของผู้คนที่ดูตู้โชว์จะต้องหายไปเล่าถึงว่าเปอร์ซีไวติง ขายพันธบัตรเงินกู้โดยการแสดงรายการพันธบัตรสองชนิดซึ่งทั้งสองรายการนี้พันธบัตรรายการหนึ่งเมื่อหปีมาแล้วมีราคาหนึ่งพันเหรียญเขาถามผู้ที่เขาเสนอขายว่าจะซื้อพันธบัตรรายการไหนตามราคาพันธบัตรประจําวันในตลาดเป็นที่รู้กันอยู่ว่าพันธบัตรรายการหนึ่งวงเล็บเปิดซึ่งแน่ละเป็นของเขาเองวงเล็ปิดมีราคาดีกว่าอีกรายการหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด วิธีนี้เป็นการทำให้ผู้ถูกเสนอขายเกิดความสนใจเล่าถึงว่ามิกกี้เมาส์ทำอย่างไรชื่อของมันจึงเข้าไปอยู่ในประธานุกรมเอนไซโคปีเดียและการใช้ชื่อของมันเป็นเครื่องหมายการค้าของเล่นได้ช่วยให้โรงงานทำของเล่นแห่งหนึ่งรอดพ้นจากการล้มละลายเล่าถึงว่าบริษัทเตินอากาศอิสเทิร์นแอร์ไลน์ใส่บางส่วนของเรือบินไว้ในตู้โชว์ริมทางเท้าเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นห้องขับขี่ของเรือบินโดยสารดักรัส เล่าถึงว่าแฮร์รี่อาเล็กซานเดอร์ใช้วิธีทําให้คนเดินตลาดของเขารู้สึกตื่นเต้นกระฉับกระเฉงโดยการพูดวิทยุให้คนเดินตลาดรู้สึกในการขายสินค้าแข่งกับคู่แข่งขันประดุดการชกมวยเล่าถึงว่าไฟฉายบังเอิญฉายแสงพุ่งตรงลงถูกกองขนมหวานซึ่งแสดงไว้ในตู้โชว์ผลก็คือขายได้มากขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเล่าถึงว่าใครสเล ใช้ช้างให้ยืนบนรถยนต์ของเขาเพื่อพิสูจน์ความทนทานลิชเชร์เบเดนและอันวินบัตแห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์กจำแนกการเสนอขายสินค้าหนึ่งครั้งว่าปรากฏผลผิดแพกแตกต่างกันอย่างไรบ้างคนทั้งสองเขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อวิธีชนะการโต้แย้งและใช้หลักการอันเดียวกันกับหนังสือเล่มที่กล่าวนี้ในการแสดงปาทกถาเรื่องหลัก6ประการในการขาย ต่อมาภายหลังทําเป็นภาพยนตร์และฉายให้คนเดินตลาดนับไม่ถ้วนของบริษัทขนาดใหญ่หลายร้อยบริษัทดูเพื่อการศึกษาภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นถึงหลักการในการเสนอขายสินค้าซึ่งคนทั้งสองพบจากการค้นคว้าหากกลายเป็นบทบัญญัติที่คนขายสินค้าจะละเมิดเสียไม่ได้ตอนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงการโต้อตอบกันอย่างเผ็ดร้อนต่อหน้าบุคคลผู้หนึ่งซึ่งสอนให้รู้ว่า วิธีใดผิดและถูกในการเสนอขายสินค้าปัจจุบันนี้เป็นเวลาที่จะต้องใช้ศิลปะและชั้นเชิงในการเสนอขายสินค้าเพียงแต่กล่าวความจริงอย่างเดียวยังไม่พอการกล่าวความจริงต้องประกอบด้วยพูดให้ทราบซึง้งเขย่าวความสนใจและเกิดความรู้สึกเร้าใจทั้งนี้ต้องอาศัยศิลปะแห่งการโฆษณาเชิญชวนอยู่มาก ภาพยนตร์ปฏิบัติเช่นนี้วิทยุก็ปฏิบัติเช่นนี้และท่านต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันถ้าท่านต้องการให้มีผู้เอาใจใส่ต่อสินค้าของท่านผู้เชี่ยวชาญในทางโชว์สินค้าในตู้กระจกหน้าร้านตระหนักดีถึงอำนาจแห่งการโชว์สินค้าให้เป็นที่เร้าใจเป็นต้นว่าโรงงานทายาเบื่อหนูแห่งหนึ่งให้เครื่องมือแก่ร้านค้าในการโชว์สินค้านี้ในตู้ประกอบด้วยหนูเป็นสองตัว ในสัปดาห์ที่หนู2ตัวถูกนำมาแสดงไว้ในตู้ปรากฏว่าการขายยาเบื่อหนูสูงพรวดพลาดขึ้นกว่าปกติถึงสีเท่าตัวเย็มบีบอนตันแห่งนิตยสารเดอะอเมริกันวิกฤตมีหน้าที่ทำรายงานตลาดการค้าอันยาวเฟืย้ยนิตยสารฉบับนี้ได้ทำการสืบสวนถึงความเป็นไปของครีมทาหน้าซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายตราหนึ่งและต้องการรายละเอียดจากบริษัททำครีมนี้เพิ่มเติมเป็นการด่วน เนื่องจากบริษัททำครีมอื่นๆพากันลดราคาลงเป็นการแข่งขันผู้อำนวยการของบริษัททำครีมดังกล่าวเป็นคนใหญ่โตที่สุดและน่าเกรงขามที่สุดในธุรกิจทางโฆษณาคนหนึ่งการไปหาครั้งแรกของเขาประสบความล้มเหลวครั้งแรกที่ผมไปหามิสเตอร์บอนตันสารภาพปรากฏว่าผมถกกับเขาถึงเรื่องวิธีการที่ใชในการสืบสวนข้อเท็จจริงเราต่างโต้แย้งกันเขาหาว่าผมผิดซึ่งผมพยายามพิสูจน์ว่าผมถูก ผมเป็นฝ่ายชนะในการถกเถียงนี้และเป็นที่พอใจแก่ผมก็จริงแต่หมดเวลาการสอบถามเสร็จแล้วผลก็คือผมไม่ได้รับผลอะไรเลยการไปหาครั้งที่สองของผมผมไม่ได้เอาใจใส่เรื่องรายการตัวเลขและสถิติอะไรทั้งนั้นผมไปหาเขาด้วยการนำข้อเท็จจริงไปแสดงให้เป็นที่เร้าใจขณะผมเข้าไปในห้องทำงานของเขาเขากำลังยุ่งอยู่กับการพูดโทรศัพท์พอเขาพูดโทรศัพท์เสร็จผมเปิดกระเป๋า เครีมทาหน้า32กระปุกกองลงบนโต๊ะของเขาครีมตาต่างๆกันซึ่งเขารู้จักดีล้วนแต่เป็นครีมทำโดยบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของเขาทุกๆ ก, กระปุกผมผูกฉลากกระดาษแข็งแสดงผลของการสืบสวนเกี่ยวกับการจำหน่ายแม้จะเป็นรายการย่อๆแต่มีสิ่งที่เร้าความสนใจผลเป็นอย่างไรหรือเราไม่ต้องถกเถียงกันอีกแล้วคราวนี้มีสิ่งใหม่ๆแปลกๆปรากฏขึ้น เขาหยิบครีมขึ้นมากระปุกหนึ่งแล้วหยิบกระปุกต่อๆไปพร้อมกับอ่านข้อความที่ฉลากผูกไว้ทุกกระปุกต่อจากนี้เราต่างสนทนากันฉันมิตรเขาตั้งคำถามเพิ่มเติมหลายประโยคกิริยาท่าทางของเขาบอกความสนใจอย่างมากครั้งแรกเขาให้เวลาผมพบเขาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพียงสิบนาทีแต่แล้วสินาทีผ่านพ้นไปยี่สิบนาทีผ่านพ้นไปสี่สิบนาทีผ่านพ้นไป จนกระทั่งหนึ่งชั่วโมงผ่านพลนไปเรายังคงสนทนากันเรื่อยๆผมสอบถามข้อเท็จจริงในครั้งนี้ทำนองเดียวกับเมื่อครั้งก่อนแต่ครั้งนี้ผมใช้ศิลปะของการแสดงให้เร้าใจศิลปะของการเชิญชวนผลช่างแตกต่างกันอย่างลิบลับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดของท่านกฎที่11มีดังนี้จงแสดงความคิดของท่านให้เป็นที่เร้าใจ